พระธรรมเทศนาแผ่นที่110รลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดบุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13พฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าปลูกยากทำลายง่ายลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13า พฤภาคมพุทธศักราช2560วันนี้เห็นศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนมาจากจังหวัดพิจิตรมาพักค้างแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะมาจากต่างจังหวัดเพราะเป็นวันเสาร์ถึงยังไง พวกเราคณะสถาน ญ, ญาติโยมโลูกหลานทุกคนอยู่นัสถานที่ใดอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกท่านมุ่งวัมุ่งมั่นมุ่งมั่นในศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีสิ่งไหนที่มันที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราถือมา ที่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นกฎเป็นระเบียบระเบียบเรียบร้อยสวยงามเราก็น่าจะยึดแนวแถวปฏิปทาแนวทางนั้นที่ถ้าเราสร้างสรรค์นเนี่ยมันสร้างยากแต่เราทำรทำลายเนี่ยทำลายง่ายง่ายง่ายเหมือนกับเราปลูกต้นไม้หลวงพ่อเนี่ยปลูกต้นไม้ในป่า ก่อนจะปลูกได้เป็นต้นเป็นลำขึ้นมาขนาดแข้งลำแข้งขาเนี่ยจะต้องใช้เวลาเป็น 10-20 ีปีถ้าจะใหญ่เป็นใช้งานได้ท า, ามาแปรเป็นบ้านเป็นเรือนไม้บ้านไม้เรือนได้ต้อง2 4่0ปีเพิเพต้นที่เราใช้น เราไม่ได้ปลูกอีกต่างหากอาจจะเป็นคนก่อนเขาปลูกก็ได้คนปลูกไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ปลูกลักษณะอย่างนั้นนี้เหมือนกัน เ, เมื่อเราปลูกเนี่ยเรารักษายากกว่าที่จะปลูกเป็นต้นเป็นลำแต่คนที่ทำลายเนี่ยง่ายนิดเดียวใช้เลื่อยเครื่องตัดโชดทีเดียว ห, หนาทีเท่านาต้นไมใ้ใหญ่ โคนตึงเลยถ้าเรามาจะเรามาเปรียบเทียบก็เหมือนกันปู่ย่าตายายของเรารักษากฎขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมายาวนานแต่พวกเราจะมาทํำร้ายทําลายโชั่วช่วผิดตาเนี่ยหรือว่ามาตั้งกฎ ก, ฎกติกาขึ้นมา อ, อมันก็ถ้าผ่าทำลายไปแล้วมันมันแก้ไขา ย, ยากนะลูกหลานนะ อ, อ, ห, อหลวงพ่อจะเปรียบ เทียบให้ฟังส่วนหนึ่งแต่ตามไม่จริงกฎไม่น่าจะพูดหรอแต่ว่าพูดให้ฟังทําไมพระพุทธาศาสนาอย่างประเทศไทยประเทศแถบเอเชียประเทศไหนถึงจะเป็นประเทศไหนก็เถอะเขาไม่มีเขาไม่มีการแต่งงานใช่ไหมไม่มีพระไม่มีเมียพูดง่ายๆพูดตรงๆเลยพระไม่มีเมียถ้ามีเมียพิษ ก, กฎกติกายอย่างแรง แต่ประเทศญี่ปุ่นสมัยเขาสู้ศึกสงครามประชากรเขาตายมากเลยพระเจ้าแผ่นดินก็เลยเห็นพระเนี่ยก็เลยเอาขอให้แต่งงานเพื่อจะได้ขยายพันธุ์เพื่อจะได้ประชากรจากนั้นมาแต่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยพอแต่งงานขึ้นมาแล้วมันถอยไม่ได้เลยมันถอยไม่ได้เพราะอะไร อย่าให้อย่าให้พระแต่งงานนะมันทําไม่ได้เพราะทำไปแล้วนะเพราะนี่สู่ก็เลยพระญี่ปุ่นก็เลยเป็นอพระที่มีครอบครัวแต่งงานแต่ก็ยังเป็นพระอยู่เวลามาประชุมที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะไม่ให้นอนในวัดเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเมืองไทยถือว่าไม่ใช่พระที่เป็นพระก็จริงอยู่แต่ก็อมีครอบครัวนะเขาต้องเขาไปให้นอนไปให้นอนโรงแรมอนะ่ะ ตเตวลามาไปชุมอามาชุมพุทธศาสนา น, ะนี่แหละสิ่งทีเ่เราทำขึ้นมาเนะี่ยปล่อยไปเนะี่ยมันปล่อยง่ายมันละเหลือง่ายทำรายง่ายแต่ที่ที่จะรักษาเนี่ยนะนะมันรักษาไว้ได้ายากแต่พอไปแล้วนะจะฟื้นคืนนะนะมันไม่ใช่ของง่ายนะ จัตถายาธิโยงลูกหลานนะเพราะนั้นขนมทำเนียมประเพณีใดก็าตามพวกเราต้องรักษาอันนี้เป็นปร ะ, ประเพณีที่ดีพวกเราต้องช่วยกันปกป้องดูแลนะไม่ใช่ว่าจะให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งพูดขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมกันไม่ควรเคารพหลบพ่อแม่แกเท่าจะลาจะเคารพไปทาไมท่านก็จะตายอยู่แล้วเนะี่ย เพราะในสุดจะเป็นยังไงเมื่อเราเป็นเท่าแก่ขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้เท่าผู้แก่ขึ้นมาในช่วงนั้นอยากจะให้เขาดูแลตัวเองนะทได้ไหมจะดูแลได้ยังไงเพราะสมัยตัวเองก็พูด เ, เขาไปแล้วนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องดูนะในการอยู่ด้วยกัน อ, อกฎระเบียบเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเออ เพราะนั้นขอให้พวกเราดูากฎระเบียบผู้น้อยผู้ใหญ่ดูวัดวาศาสนาก็เหมือนกันคนโบราณคนโบราณเขาบอกว่านะเป็นคำพังเพยคำคพังเพยโบราณ เ, เขาบอกว่าดูวัดจะดูวัดให้ดูฐาน ดูฐานคือดูห้องน้ำดูวัดให้ดูฐานดูบ้านให้ดูครัวจะดูสมพานให้ดูผ้ดูผ้าเล็กเนนน้อยถ้าจะดูสมพานสมพานมีกฎระเบียบดีไหมมีวัฒนธรรมดีไหมมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีไหมอยากจะรู้ว่าสมพานต้องดูผ้าเล็กเนนน้อย ถ้าผ้พาพา้าผ้าผ้าเล็กเนน้อยในวัดนั้นนะเต้นขย้องของแข็งไม่มีสัมมาคาระวะไม่มีกิริยามารยาทที่ดีแสดงว่าสมผ่านวัดนั้นไม่เอาฐานไม่มีกฎรละเบียบไม่ได้สั่งสนอนพระเล็กเนนน้อยปล่อยปะละเลยเนี่ยคนโบราณเขาให้ดูอย่างนั้นนะอ อ, อยากจะดู ดูวัดเนดูฐานดูฐานคือห้องน้ำไปดูห้องน้ำโอ้ดูลวสกรปรกดูไม่ได้แสดงว่าพระในวัดนั้นไม่เอาฐานไม่ได้ใส่ใจในความสะอาดเรียบร้อยไม่ได้ดูแลวัดวาศาสนาตัวเองไม่ได้ดูแลวั ด, วดของตัวเองให้ดีดูห้องน้ำสกรปรกไปหมดแสดงว่าพระในวัดของวัดนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นละอ่า เราดูได้นะคับแต่ว่าคนโบราณก็บอกดูวัดให้ดูฐานดูห้องน้ำดูห้องซ่วงดูห้องทายฐานยนะคนโบราณว่าฐานคือเป็นที่ทายทุกนะคือห้องน้ำนั่นเองแต่ดูบ้านทำไมให้ดูครัวถ้าว่าแม่ครัวแม่บ้านใส่ใ จ, ใจนะต้องซืชละต้องสะอาดนะ ถ้วยชามเก็บไว้ที่ไหนมองเก็บไว้ที่ไหนเมื่อใช้แล้วเก็บไว้ยังไงรีบล้างทีรีบทําความสะอาดเก็บไว้เป็นที่ทางนะแต่ถ้าแม่บ้านไม่ได้เรื่องนะั่นนะพอกินแล้วก็ไปทิ้งไว้นะหมาเป็นผู้เลียเลียถ้วยให้เลียถ้วยชามให้สะอาดนะแปลว่าเกะกะละลุกลงลังไปหมดในห้องครัวนั้นเนี่ยคนโบราณก็บอกอย่างงั้นนะ เขาจึงมีคำพังเผยขึ้นมาว่าดูวัดให้ดูฐานดูห้องน้ำดูบ้านให้ดูครัวจะดูสมภารให้ดูผ้าเล็กเนน้อยนี้ก็เหมือนกันเราจะดูสํานักงานไหนจะเป็นอำเภอจังหวัดที่ไหนก็ตามอยากจะดูตำรวจในอำเภอนายูงต้องดูผู้กำกับท่านผู้กำกับมานั่งอยู่อยู่ข้างๆหลวงพ่อเนี่ย ถ้าจะดูข้าราชการในอำเภอก็ต้องดูนายอำเภอนายอำเภอมีกฎระเบียบไหมถ้าดูนายอำเภอลูกน้องบริวารไปคนละทิศละทางก็จะแสดงว่านายอำเภอนี่ไม่ไม่มีกฎระเบียบไม่เอาทานถ้าดูบ้านไหนก็ตามถ้าเป็นโรงเรียนใดก็ตามถ้านักเรียนอ อ, ออกนอกลูก่นอกทาง ก็แสดงว่านักเรียนในโรงเรียนนั้นพอออกไม่ได้เรื่องมหาวิทยาลัยก็ตามใดไหนก็ตามถ้านักศึกษาออกนอกลู่นอกทางไม่ได้เรื่องแสดงว่าครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้เรื่องว่าควบคุมสถานการณ์ลูกน้องบริวารตัวเองไม่อยู่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะประเทศใดใดยุคใดก็ตาม ถ้าโจมผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่ชายเดินขบวนกันทุกแห่งหนสแสดงว่านายกรัฐมนตรีในยุคนั้นสมัยนั้นควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่นะมันเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานสถาญาติโยมเพราะนั้นพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดกฎระเบียบต้องรักษาที่เป็นกฎระเบียบที่ดีงาม ช่วยกันดูช่วยกันปกป้องดูกันด้วยช่วยกันรักษาสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่านำเข้ามาอย่านำเข้ามาในชุมชนสังคมไปกินสูบคัญชายาฝิ่นกินเหล้าเมายาสิ่งไหนที่มันไม่ดีเอาเข้ามาฮิปปี้ฮิปปี้เจาะหูเจาะจมกูกเจาะที่ไหนต่อที่ไหนเดี๋ยวนี้กาลังมีลาย ไม่ใช่ลายแต่ในโทรศัพท์นะลายตัวขนก็มีทุกวัน เ, นเต็มไปหมดตัวดีๆไม่เอาเอาลายใส่นี่แหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อเป็นพระป่านะใค่แค่ว่ายืนอยู่นยืนอยู่นอกวงการยืนอยู่นอกวงวงการคือวงของลูกของาายยาดานศรัทธาญาติโยมนะ เ, เล่น สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาแต่หลวงพ่อมายืนนิ่งจุบข้างนอกดูเอแต่สึงไหนที่มันเกินไปอหลวงพ่อเอยจุดนั้นมันน่าจะเกินไปนะลูกหลานนะน่าจะปรับปรุงตัวให้อยู่ในกรอบนั้นจะดีกว่าไม่ใช่เหรอถ้าว่าสึงไหนที่มันเกินไปถทีทั้งีนีมันอ่อนเกินไปพอหลวงพ่อเกิดนีนะ่ฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยอครูบาอาจารย์เนี่ยอ อยู่ส ม, มณพรามณ์เน่ยว่พวกหลวงพ่อเนี่ว่าสมณพรามแปลว่าอยู่เป็นผู้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวมองดูชุมชนสังคมควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมการอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นประเทศชาติบ้านเมืองถ้าว่าพวกเราอยู่ไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีกฎเกณฑ์ ใครอยากจะทำอะไรก็ทำตามอาเภอใจตามอัถาใจอัตถาใจของเราเนี่ยโดยมากมันไปทางกิเลสไม่ใช่ไปทางธรรมไปทางกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันออกไปทางนั้นผลที่สุดก็ทาให้คนอื่นเดือดร้อนใน่การอยู่ด้วยกันเพราะอะไรพอมันออกนอกลูกนอกทางถ้าอยู่อยู่ในเป็นศีลเป็นธรรมก็ไม่เป็นไรนะ ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่คนเดียวอยู่หลังเขาจะด่าจงไงก็ได้จะกระโดดโลดเต้นอย่างไงก็ได้เพราะอยู่คนเดียวถ้าอยู่สองคนขึ้นไปต้องระวังนะต้องระวังต้องระวังคำพูดถ้า อ, อยู่สามสี่ห้าหกคนเป็นร้อยเป็นพันคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านๆอย่างที่เมืองไทยยิ่งระวังให้ถีท่วนสรุปแล้วคเนียอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเนี่ย หลวงพ่อเคยพูดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาแต่อยู่คนเดียวได้หละให้ดหูดูความคิดของตัวเองบางทีตัวเองอยู่คนเดียวนะว้าเวอ้า ง, ว, า ง, งาว่างเงยบเหงาเศร้าซึมซึมเศร้านะคิดปุง่งฟุ้งจะเป็นบ้าเอาอยู่คนเดียวให้ระวังตต้องบริกรรมพุทธโทนะมึงคิดไปทำไมบอกมึงเลยใช้ใช้ภาษาพ่อคุณลามนลใส่ตัวเองนะ เพราะเราพูดกับตนเองเนะี่ยเราจะไปพูดอพระคุณท่านจะคิดได้ยังไงจะว่าอย่างนั้นเหรอมึองคิดได้ยังไงอสอนตนเองเลยใช่ไออพอเราอยู่ที่นี่เราก็รู้อยู่แล้วเราอยู่ในรักอยู่รักตุกีวันกี่เดือนกี่ปีเราอยู่ที่นี่เราคิดดีแล้วเราจึงมาอยู่เอมึงคิดไปทําไมมันได้อะไร ถ้ามันได้มันก็ได้มาแต่ก่อนแล้วเนี่ยก่อนที่มึงมาบวชเนะี่อมันได้มาแล้วเนี่ยมึงทําไมมาบวชมาบวชมึงคิดไปหาอะไรเอ่อใช้ภาษาคุณลามเลยละ่ะพ่อคุณลามกําแหงเย่ยสมัยนั้นเปนแต่เมืองกับกูใช่ไหมนี่แหละอันนี้ก็ใช้อย่างนั้นแหละกับตัวเองนะเพราะนั้นขอให้พาลูกพาหลานศรัทธายาณโยมทั้งหลายนะสรุปแล้วก็เนีนะ่ย ให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีและวกรประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วหลวงพ่อจะบอกนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงความดีความชั่วมีจริงนั่นแหละจุดนี้จะทำจ ะ, จะรู้ได้อย่างไงต้องศึกษาจะไปคิดการจะไปมาน อย่าไปประมาณการอย่าไปนึกเดาอย่าไปคาดคะเนเนี่ยจะไปเรียนว่ามันจะรู้ทีเดียวไม่ใช่นะต้องปฏิบัติเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ น, ะนี่แหละพวกเราปฏิบัติเนอะแล้วก็วันพุ่งนี้นะวันพุ่งนี้วันเป็นวันที่สิบสี่หลวงพ่อนะคงจะได้ออกจากวัดแต่เช้านะไปบินทบาทที่วัดโพธิสมพรนะงานลูกปู่นะ งานหลวงปู่ใหญ่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีของเรานะวันนี้เป็นวันที่สิบสาวันพรุนี้เป็นวันที่สิบสี่พอคอหกศูนย์วันพรุนี้หลวงพ่อจะไปบินทบาทที่จังหวัดอุดรเพราะทางจังหวัดทางวัดโพธิสมพรเขานิมนต์มาหลวงพ่อคงจะได้ออกไปแต่เช้าไม่ได้บินทบาทที่นี่นะลูกหลานนะแล้วก็วันพอบิน ทบาดเสร็จแล้วนะหลวงพ่อก็คงจะยังไม่กลับมาวัดเจก่อนเพราะว่ามันเป็นอใกล้วันของหลวงปู่แล้วอแล้วก็วันไปพักที่วัดรวมธรรมของกับกับทนรัตนกรวันที่สิบสี่วันที่สิบห้านะคงจะฉันที่วัดวัดรวมธรรมพอฉันเสร็จแล้วตอนบ่ายก็คงจะมีอะไร ช่องช่องเ็ดอะไรได้มาพูดเขานัดมาให้พูดเกี่ยวกับนะเกี่บประวัติของหลงตาที่กับหลงปู่ใหญ่ลักษณะอย่างนั้นแะแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดแต่พอตกประมาณหนึ่งทุ่ม1นทุ่มหรือสองทุ่มเขาที่มนหงลงพอแสดงธรรมที่วัดโพธิสมพรในคืนวันที่15 แต่อาจจะมีพระผู้ใหญ่ม า, า จ, จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อก็คงจะได้ไปแสดงธรรมเพราะว่าหลวงพ่อเองไม่ปฏิเสธเพราะเหตุไร เ, เพราะว่าสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ทุกปีงานวันเกิดของท่านนะก็ในวันหลวงพ่อไปแสดงธรรมหลวงพ่อก็ไปแสดงธรรมพอแสดงธรรมจบเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อเออจะตก ป, ปัจจัยการเทศของหลวงพ่อเนี่ยมอบถวาย ถวายหลวงปู่นะหลวงพ่อก็บอกงั้นนี่แหละวันที่สิบวันที่สิบพลาดนะเย็นแล้วก็กลับไปนอนวัดรวมธรรมอีกวันที่สิบหกหลวงพ่อจะฉันที่วัดรวมธรรมเสร็จแล้วหลวงพ่อจะมางานพระราชทานเพลิงศรีระสังขารของหลวงปู่เนีตั้งแต่เที่ยงแล้วไปนะ่นนะเริ่มพิธีกรรมพิธีการแล้วทราบว่า พระ อ, องค์พระ อ, องคนะ์พาพระองค์พาเสด็จนะที่วัดโพธิสมพรแล้วก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์เสด็จมาด้วยในงานงานหลวงปู่เพราะนั้นพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ยินเสียงหลวงพ่อได้ยินข่าวข่าวแล้วก็มาได้เนอะหลวงปู่ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของประสงฆนิกรเป็นของลูกน้องเป็นของลูกของหลานทุกขู่ทุกคนนั่นแหละ กาบขรเวพระราชทานเพลิงหลวงปู่เนี่เผาเพียงครั้งเดียวไม่ได้เผาสองครั้งนะเผาวันที่ส6บแล้วก็จบคงจะไม่มีคำว่าพระราชทานเพลิงหลวงปู่พระอุรมยานโมลีหลวงปู่จันสรีจันททีโป่เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะมีครั้งเดียวเพราะนั้นลูกหลานถ้าผู้ที่จะมาได้ก็เออเอามา ร่วมกันพระราชทานเพลิงสริและสั้งขารของหลวงปูนะ่นาวันที่16ตอนบ่ายนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะนโมถนาให้พรและพรในติเนนะกนิส า, ธธา ญ, ญาติโยงลูกหลานทุกคน